สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแต่เรื่องที่จะนํามาเล่าเสือท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นชีวประวัติของท่านนาถปิฎกเศรษฐีอุบาสกในเรื่องในตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการกระทำงานเพื่อสังคมของท่านนาถปิฎกเศรษฐีและงานสังคมที่ท่านกระทำนี้ก็เกี่ยวกับงานสังคมเรื่องการกระทำบุญกระทากุศลนั่นเอง คือต่อมาภายหลังนิธานาณาถปิฎิกาเศรษฐีมีงานที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมการกระทาบุญเลี้ยงพระภิสุสงฆ์บ่อยขึ้นจนไม่มีเวลาว่างจึงต้องตั้งให้ลูกสาวของท่านรับหน้าที่ดูแลการถวายอาหารแก่พระภิสุสงฆ์ที่บ้านของตนดังมีเรื่องเล่าไวในอันตถิถาคัมภีรธรรมบทแห่งยะมะกะวัก ในเรื่องนางสมนาเทวีดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางสมนาเทวีดังมีความพิศดาลว่าที่เรือนของธานานาถาปิฎิาเศรษฐีได้มีพระพิสุทธิ์ 2,000 รูปมาฉันประจำและที่เรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ เ ม, เมื่อเวลาที่บุคคลใดผู้อยู่ในกลุ่มสาวธีมีความประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆจะต้องได้โอกาสจากบุคคลทั้งสองก่อนแล้วจึงจะทำได้มีคำถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นมีคำตอบว่าเพราะเวลามีบุคคลอื่นถามผู้จะถวายทานว่า ท่านนาถาบีติกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาหมาวาศิกามาที่โรงทานของท่านแล้วหรือถ้าผู้จะถวายทานตอบว่าไม่ได้มาแม้ทานที่ผู้จะถวายทานสละทรัพ์ตั้งหนึ่งแสกะหาวะณะออกถวายทานบุคคลเหล่านั้นก็พูดติเตียนว่านี่ทานอะไรทั้งนี้เพราะว่าท่านทั้งสองคนยอมรู้จัก ความพอใจของพระภิสุสงฆ์และกิจที่สมควรแก่พระภิสุสงฆ์และเมื่อท่านทั้งสองคนอยู่ร่วมงานทำบุญนั้นพระพิสุทั้งหลายย่อมฉันได้ตามความพอใจเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานได้เชิญท่านทั้งสองคนไปจึงทำให้ท่านทั้งสองคนไม่ได้เลี้ยงพระพิสุทั้งหลาย ในเรือนคงตนด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขามหาบสิกาจึงพิจารณาว่าใครน้อพอจะเลี้ยงพระพิสุสง์แทนเราได้ได้เห็นหลานสาวเหมาะสมจึงตั้งไว้ในหน้าที่เลี้ยงพระพิสุทั้งหลายในเรือนแทนตนฝ่ายท่านนาถาบิติกะเศรษฐีก็ได้ตั้งทิดาคนใหญ่ที่มีชื่อว่ามหาสุพัทธา ไว้ในหน้าที่เลี้ยงพระพิสุทังหลายแทนตนนางมหาสุพัทธาได้กระทาการขวนขวายแก่พระพิสุทังหลายและฟังธรรมะอยู่นางก็ได้เป็นประโสดาบันแล้วได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีเมื่อเป็นเช่นนั้นทานานาถวินิกะเศรษฐีจึงตั้งนางจุลสุพัทธาขึ้นไว้ทาหน้าที่แทน แม่นางจุลสุภัท ธ, ธาก็กระทําอยู่อย่างนั้นเหมือนกันและเมื่อนางได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีอีกเช่นกันลำดับนั้นพรนาราธวินิกะเศรษฐีจึงตั้งธิดาคนเล็กที่ชื่อว่านางสุมนาเทวีขึ้นไว้แทนตนต่อไปส่วนนางสุมนาเทวีเมื่อได้ฟังธรรมะแล้ว ได้บรรลุพระสะกทาคามีผลก็หมายถึงผลคือผู้ที่จะกลับมาเกิดอีกชาติเดียวนักเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่สองในขณะที่นางยังเป็นกุมาริกาอยู่นั่นเองแต่นางเกิดความกระสับกระส่ายด้วยความไม่สบายอย่างหนึ่งถึงกับรับประทานอาหารไม่ได้ นางมีความประสงค์จะเห็นท่นนาถวิติกะเศรษฐีคุณพ่อของนางจึงใช้ให้คนไปเชิญมาหาธ่านานาถวิติกาเศรษฐีพอได้รู้ข่าวนางสุมาเทวีธิดาโป่วยและพักอยู่ที่โรงทานแห่งหนึ่งจึงมาหาแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนานางสุมนาเทวีตอบว่าอะไรเล่าน้องชาย ธนานาถบิดกะเศรษฐีถามด้วยความตกใจว่าลูกเพอ้อไปหรือลูกเอ๋ยนางสุมาเทวีตอบว่าฉันไม่ได้เพอ้อน้องชายธนานาถบิดกะเศรษฐีถามต่อไปว่าแล้วลูกกลัวหรือลูกเอ๋ยนางสุมาเทวีตอบว่าฉันไม่ได้กลัวน้องชายแต่พอนางสุมาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้นางก็สิ้นใจตา ย, ตายไป ท่านนาถาบินิกาเศรษฐีถึงแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกที่เกิดขึ้นในทิดาไา้ท่านได้จัดการเผาศพนางสมนาเทวีผู้เป็นทิดาเสร็จแล้วได้ร้องไห้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนกระหังบดีท่านเป็นทุกข์ไม่สบายใจมีหน้านองด้วยน้าตา ร้องไห้มาเพราะเหตุอะไรทานานาถบิติกะเศรษฐีจริงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสุมาเทวีลูกสาวของข้าพระองค์กระทากาละคือตายแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจริง เศร้าโศกความตายของสรรพสัตว์เป็นของแน่นอนมีใช่หรือทานานาถบิติกาเศรษฐีกราบทูนว่าข้อนี้ข้าพระองค์ทราบอยู่พระเจ้าค่ะแต่ว่าลูกสาวของข้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริคือความละอายใจต่อบาปและโอตตะปะคือความเกรงกลัวบาปเห็นปานดีในเวลา จวนตายหรือใกล้ตายนางไม่อาจคุมสติไว้ได้เลยยังพูดเพอ้อแล้วตายไปด้วยเหตุนั้นความเสียใจอย่างมากจึงเกิดมีแก่ข้าพระองค์พระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมหาเศรษฐีนางสุมนณาเทวีพูดว่าอย่างไรท่านานาถวินิกะเศรษฐีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดา ข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือแม่สุภนาแต่นางกล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าลูกเพิ่ไปหรือลูกเอ๋ยนางตอบว่าไม่เพิน้องชายขั้นข้าพระองค์ถามว่าลูกกลัวหรือลูกเอ๋ยนางตอบว่าไม่กลัวน้องชาย และพอนางกล่าวได้เท่านี้ก็สิ้นใจตายไปพระโชค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส บ, บอกท่านานาถบิติกะเศรษฐีว่าดูกนมหาเศรษฐีธิดาของท่านไม่ใช่เพอรกนะท่านานาถบิติกะเศรษฐีจึงกราบทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นเหตุใดนางจึงพูดเช่นนั้นพระโชคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเพราะท่านเป็น น้องของนางจริงๆดูก่อนคาราหบดีนางสมนาธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะว่าท่านได้เป็นเพียงโสดาบันส่วนธิดาของท่านได้เป็นสกะทาคามีนีนางพูดกับท่านดังนั้นด้วยนางเป็นใหญ่ทั้งมักและผลทา น, นานาถาบิตกะเศรษฐีกราบทูลว่าเช่นนั้นหรือพระเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอย่างนั้นคราหบดีธนนาถ า, าบิกะเศรษฐีได้กราบทูล ถ, ถามถึงนางสุมนาเทวีลูกสาวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานี้นางไปเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนคราหบดีนางเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคําว่าดุสิตก็แปลว่ายินดี ธนานาถบิติกะเศรษฐีกราบทูลว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าลูกสาวของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้เวลาไปจากโลกนี้แล้วก็ได้เกิดในสถานที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระโชคา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านเต็มทีว่าถูกแล้วดูก่อนคราหบดี พระหัสหรือบันพชิตผู้ไม่ประมาทย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่แท้ครั้นแล้วพระองค์จึงตรัสพระคถาธรรมะว่าอิทะนันทติเปเจนันทติกะตะปุญโยอุพยัถนันทติปุญยเมยกตันตินันทติพีโยนันทติสุขติงคาโตแปลว่า บุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้กระทำบุญไว้แล้วเวลาเขาไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงสถานที่ที่ดีย่อมเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเทศนารมจบลงบุคคลเป็นจานวนมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นความเป็นผู้คิดวิเริ่มหาสิ่งที่ควรสการะบูชาไว้แทนพระพุทธเจ้าของท่านนาถาปิฎกเศรษฐี โดยมีเรื่องปรากฏอยู่ในอาัจถริยะคำพีโคตกนิกายชาดกแห่งกาลิงคาชาดกว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีและแล้วพระพุทธองค์ได้เสดจจาริกลีกไปในชนบทด้วยพระพุทธประสงค์จะทรงสงเคราะห์เวนัยสัตว์ คำว่าเวนัยสัตว์ก็หมายถึงสัตว์ที่พึ่งแนะนําสั่งสอนได้พวกชาวพระนครสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปที่วัดประเชตวันมหาวิหารแล้วเมื่อไม่ได้ที่อันควรบูชาแห่งอื่นจึงพากันวางเครื่องสการะบูชาเหล่านั้นไว้ที่พระทวารพระคันทุกุฎีแล้วกลับไปการกระทําของชาวพระนครสาวัตถี เพียงวางเครื่องสักการะไว้ที่พระทวารพระคันตุกดีก็ย่อมมีความเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งท่านนาถาบินติกาเศรษฐีได้ทราบเหตุนั้นแล้วและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมาประทับที่วัดประเชตวันมหาวิหารท่านจึงไปหาท่านพระอนุทเทระและกราบเรียนขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่พระวิหารนี้ เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด จ, จาริกหลีกไปแล้วย่อมปราศจากที่พึ่งพิงบุคคลทั้งหลายไม่มีสถานที่อันควรสการะบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นคงจะเป็นการดีทีเดียวถ้าหากพระคุณเจ้ากราบทูลเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจัดการหาสถานที่ อันควรสักการบูชาไว้ให้ได้สักแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนครับ <started writing> พระ อ, อนุตเทระกล่าวรับรองความคิดเห็นของท่านเศรษฐีว่าดีแล้วและท่านได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญสิ่งที่ควรเป็นเจดีมีเท่าไหรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอน น, น์เจดีคือสิ่งที่ควรบูชามีอยู่สามอย่างพระอนนทเทระกราบทูลถามว่าเจดี JD 3สามอย่างมีอะไรบ้างพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่า เจดีสามชนิดได้แก่ 1. สาริริกะเจดีคือเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีคือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอย 3. อุเทศิกะเจดีคือพระพุทธรูปพระอานนตเทระกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ เมื่อพระองค์เสด จ, จาริกไปในสถานที่อื่นข่าพระองค์จะกระทําเจดีย์ไว้เป็นที่สการะบูชาได้หรือไม่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชี้แจงว่าดูก่อน อ, อนลสารีริกะเจดีนั้นจะกระทําในเวลานี้อย่างไม่ได้จะต้องกระทําในเวลาหลังจากที่ตาถาคตปรินิพานแล้วอุเทสิกาเจดี ก็ไม่มีสิ่งที่จะกระทำขึ้นได้เพราะเป็นของเรื่องด้วยตถาคตส่วนต้นโพใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยตรัสรู้ของตถาคตเป็นเจดีได้ทุกเมื่อพระอนนตทเทระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาที่พระองค์เสด จ, จาริกไปในสถานที่อื่นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นที่สาัการะบูชาของบุคคลทั้งหลาย ในวัดพระเชตวันมหาวิหารนี้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จะนำเมล็ดพันธุ์จากต้นมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่ริมพระทวารของวัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อเป็นปูชนียสถานสำหรับบุคคลทางหลายพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถอนุญาตว่าดูก่อนอ น, นุนนับเป็นการดีแล้วเธอจงนำมาปลูกตามประสงค์เถิด เมื่อพระอนนตเทระได้รับพระพุทธานุญาตแล้วจึงแจ้งความแก่พระเจ้าประเสนทิโกศลธนารหะปิณิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวีสาขาแล้วให้คนขุดหลุมเพื่อที่จะใช้ปลูกมเมล็ดพันธุ์มหาโพใกล้พระทวารของวัดพระเชตวันมหาวิหารและท่านได้กล่าวกับพระมหาโมคลานเถระ เพื่อขอให้ช่วยไปนำผลโพสุกจากต้นมหาโพมาให้พรมหมาโมคลานเถระก็ได้รับเป็นธุระแล้วท่านจิงหอกไปที่โพธิมณฑลสถานใช้จีวรรองรับผลมหาโพสุกที่ร่วงหล่นจากต้นมหาโพโดยไม่ให้ตกถึงพื้นดินแล้วนำกลับมาให้แก่พระอนุตเทระ ฝ่ายพระอนนนตเทระได้แจ้งข่าวแก่พร ะ, พระเจ้าเปรเศรษฐีโกศลเป็นต้นให้ได้ทราบทั่วกันถึงวันเวลาที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์พระมหาโพธิ์โดยกำหนดในเวลาเย็นวันนี้พ ร, พระเจ้าเปรเศรษฐีโกศลจึงโปรดให้พนักงานถือเครื่องอุปกรณ์ทุกชนิดเสรมาพร้อมด้วยค่าราชบริพารเป็นจำนวนมากธนานาธริติกะเศรษฐี กับมหาบาศิกาวิสาขาได้พร้อมกันถือเครื่องสการะบูชาไปประชุมกันในสถานที่นั้นตรอยกระทั่งบุคคลอื่นๆที่มีศรัทธาก็ได้ไปร่วมประชุมเช่นเดียวกันพระนริทธิระได้วางอ่างทองคำใบใหญ่ลงในหลุมให้เจาะก้นอ่างทองคำแล้วส่งผลมหาโพร้อมกับถวายประพรว่า ขอสมเด็จบร ม, มบบบพิพ ร, ราชสมภารเจ้าจงทรงปลูกโพนี้เถิดขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงรับผลหมาโพมาแล้วทรงพระดำริว่าความเป็นพระราชาของเราย่อมไม่ดำรงคงอยู่ตลอดการทุกเมื่อเราควรให้ธนานาถบาิกะเกษฐรีปลูกโพนี้ แลพระองค์ทรงส่งผลมหาโพสุขให้แก่ท่านานาถวิติกะเศรษฐีท่านานาถวิติกะเศรษฐีเมื่อรับผลมหาโพสุขมาแล้วจึงปั้นดินเปลือกตมที่ผสมด้วยเครื่องหอมแล้วฝังผลมหาโพลงในดินเปลือกตมนั้นแต่พอผลมหาโพหลุดจากมือของท่านเศรษฐีต้นโพโตเท่าประมาณงอนไถ สูงห0สอกและต้นโพมีกิ่งใหญ่ห้ากิ่งคือชี้ไปในทิศทั้งสนั้นสีกิ่งและชี้ขึ้นไปข้างบนหนึ่งกิ่งแต่และกิ่งยาวประมาณ50ศสอกเสมอกันปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์แกมหาชนในสถานที่นั้นทันทีทันใดพระเจ้า ป, ประสิทนาทีโกรลโปรดให้ทำหม้อเงิน หม้อทองค108าร้อยแปดใบให้มันจุน้ำหอมจนเต็มแล้วปลูกดอกบัวขบับสูงประมาณหนึ่งศอกเป็นต้นให้ตั้งเป็นแถวล้อมต้นมหาโพและให้สร้างภัยทีคําว่าภัยทีก็คือที่รองหรือแท่นหรือฐานบวกความโบงายที่พระเจดี โดยให้สร้างภัยทีด้วยแก้วเจ็ประการให้เรียรายทรายอันเจือด้วยทองคําลงในภัยทีและให้ก่อกําแพงล้อมต้นมหาโพธิ์ส่วนประตูกําแพงทําด้วยแก้วเจ็ดประการขึ้นโดยรวดเร็วพระอนนตเทศรได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอให้เสด็จไปประทับที่ต้นมหาโพธิ์ และกราบทูลให้ทรงเข้าสมาบัติอยู่ที่โคนต้นหมาโพด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนน์เมื่อตถาคตเข้าสมาบัติที่เข้าแล้วณโคนต้นหมาโพนั้นส่วนที่อื่นก็ไม่สามารถจะทนทานอยู่ได้พระอนนทเทระจรึงกราบทูลว่าถ้าเะนนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณา ใช้สอยโคนต้นมหาโพด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัตด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคย้าทรงใช้สอยโคนต้นมหาโพนั้นด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัตตลอดหนึ่งราตรีฝ่ายพระอานนตเถระจึงบอกให้บุคคลทั้งหลายได้ทราบ โดยมีพระเจ้าปเสณทิโกศลเป็นต้นเพื่อทำการฉลองต้นมหาโพนันต่อมาต้นมหาโพนันมีชื่อว่าอานันทโพเพราะเป็นต้นมหาโพที่ท่านพระอานนทเทระให้ปลูกขึ้นนี่ก็เรื่องความเป็นมาของต้นอนันทโพที่ท่านนาถามินติกาเศรษฐี เป็นผู้ดําริริเริ่มขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนคนทั้งหลายในยามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในวัดประเชตวันก็จะได้มีที่ส ก, การะบูชาธนานาธรมิติกะเศรษฐีหาจากความเป็นไข่ด้วยได้ฟังคําสอนของท่านพระสารีบุตรเถระดังที่มีเรื่องราวกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีสังยุตติกาย มหาวารวักสารกนิวรักที่สทุศริยะสุดที่หนึ่งดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านนาถาบิิกะเศษฐีเป็นไา้หนักได้สั่งบุุษคนหนึ่งให้ไปกราบเรียนท่านพระสารีบุตรเทระให้ทราบและให้นิมนต์ท่านมาเยี่ยมพระสารีบุตรเทระ ได้ครองจีวรและถือบาทมีพระอนนตเทระเป็นผู้ติดตามไปเยี่ยมธนนาถบิดิกาเศรษฐีในเวลาเช้าด้วยครั้นพระเทระทั้งสองรูปไปถึงบ้านของท่านเศรษฐีแล้วจึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านกระห่มบดีค่อยทูเล่าลงไม่หนักขึ้นหรือท่านานาถบิดิกาเศรษฐีกราบเรียนตอบว่า ถ้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอาการเจ็บไข้ของกระผมไม่ทูเลาลงมีแต่หนักขึ้นทุกขเวทนามีแต่กล้าแข็งขึ้นไม่ลดน้อยถอยลงไปย่อมปรากฏแต่อาการกำเริบขึ้นอาการลดลงไม่ปรากฏเลยขอรับพระสาริบุตรเทระจริงกล่าวว่าดูก่อนท่านกระหับบดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ คำสอนของพระอริยเจ้าผู้ไม่มีความเลื่อมใสอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตานรกส่วนท่านมีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับลงไปโดยพลัน ดูก่อนท่านกระหะบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเป็นผู้ทุศีลคือมีศีนชั่วหรือเป็นผู้กระทําผิดศีลผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดดําริผิดเจรจาผิดทําการงานผิดเรียงที่ผิดเพียนผิดระลึกผิดตั้งใจผิดรู้ผิดพ้นผิดเช่นใด เวลาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตานรกความเป็นผู้ทุกศีลและความเห็นผิดดำ m ปริผิดเจรจาผิดทําการงานผิดเลี้ยงที่ผิดเพียนผิดระลึกผิดตั้งใจผิดรู้ผิดพ้นผิดเช่นนั้นของท่านมีมีท่านมีแต่ศีลที่ดีคือศีลที่พระเรียเจ้ารักใคร่ศีลไม่ขาดวินด่างพร้อย ศีลที่ไม่เป็นธาตุแห่งตันหาศีลที่ไม่แปดเปื้อนด้วยตัญหาศีลที่ผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญศีลที่ทาให้เกิดสมาธิท่านมีแต่ความเห็นชอบตำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเรียงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบรู้ชอบพลนชอบเมื่อท่านพิจารณาศีล ความเห็นชอบดัมริชอบเจลจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบรู้ชอบพนชอบในที่นี้ก็หมายถึงพระอรหันต์ที่มีอยู่ในตัวของท่านแล้วเวทนาจะระงับไปโดยเร็วพลันลำดับต่อจากนั้นเมื่อท่านอนาถบิิกะเศรษฐี พอได้ฟังดังนี้แล้วเวทนาก็สงบระ ง, งับลงโดยเร็วพลันเมื่อท่านนาถวาิทกาเศรษฐีได้จัดอาหารถวายแด่ท่านพระสารีบุตรเทระและพระ อ, อนอนตเทระด้วยตนเองฝ่ายพระเทระทั้งสององค์ฉันเสร็จแล้วท่านนาถวาิทกาเศรษฐีได้เข้าไปนั่งในที่ใกล้ พระสริบุตรเทระได้กล่าวอนุโมทนาทานด้วยคาถาธรรมว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นอันไม่วันไหวในพระตถาคตและมีศีลดีงามที่พระอริยเจ้ารักใคร่ที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีความเลื่อมใสในประสงค์มีความเห็นตรงผู้รู้ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาผู้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบซึ่งศรัทธาและศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมะครั้นพระเถระกล่าวอนุโมทนาจบแล้วพระสารีบุตรเถระและพระอนุตเทระก็ลุกจากอาสนะอำลากลับไป ฝ่ายพระอานนตเทระเมื่อกลับไปถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่สมควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอนอนนท์เธอมาจากไหนพระอานนตเทระกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มาจากบ้านของท่นนาถามิติกาเศรษฐีท่านพระสรีบุตร ได้สั่งสอนท่านนาถาวิเดกเสถีโดยโอวาท น, นี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญภาษาบุตรเถระว่าดูก่อนอนน์พระสาริบุตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากจึงได้จำแนกองค์แห่งพระโสดาบันสามประการด้วยอาการ10อย่างท่านผู้ฟังครับ ชีวประวัติของท่านอนาถาบิติกะเศรษฐตียังไม่จบแต่บางเอิญเวลาได้สิ้นสุดลงและเรื่องของท่านอนาถาบิดกษฐีก็ได้แสดงเห็นทิ้งความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ว่าความไม่แน่นอนนั้นจะเป็นไปในทางไหนก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอรับฟังในวันต่อไปวันนี้เวลาสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังเพอโดยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ